ปัญหาต่อไปอกรรมมชาที่ปัญหาพระเจ้ามิเรนก็ถามต่อไปว่าพระคุณเจ้าหน้ากเกษตในโลกนี้สิ่งที่บังเกิดจากกรรมก็ปรากฏอยู่เรียกว่ากรรมสิ่งที่เกิดจากกรรมนะเช่นกลุ่มกรรมมชรูปเป็นต้นเนี่ยก็มีอยู่สิ่งที่บังเกิดจากเหตุก็ปรากฏอยู่สิ่งที่บังเกิดจากอุตุหรืออุณหภูมิก็ปรากฏอยู่ ขอท่านจงบอกข้าพเจ้าสิ่งที่ไม่เกิดจากกรรมไม่เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอุตุในโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ไม่เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอุตุมันพ้นจากกรรมเหตุและอุตุพระเจ้าไมลินก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรในโลกนี้สิ่งที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิหรืออุตุเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างเห ล, ห ล, หล่าน ja e. ี้สองอย่างอะไรบ้างขอถวายพระพรอากาศ เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากอุตุไอช่องว่างเกิดจากอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอ่าถ้าเป็นรูปธรรมเขาเรียกว่าอสมุตอสมุตฐานนิกรูปใช่ไหยรูปที่ไม่มีสมุธฐานก็คืออากาศธาตุตัวอากาศตัวช่องว่างจริงๆไม่ได้เกิดจากสมุธฐานใดๆทั้งนั้นช่องว่างนี้เกิดจากเหตุอะไรยังไงตัวว่างๆยังไม่ไม่ได้เกิดจากเหตุอะไรเลย อันนี้อย่างที่หนึ่งเรียกว่าอากาศไม่ได้เกิดจากกรรมอากาศก็ไม่ได้เกิดจากเหตุอากาศก็ไม่ได้เกิดจากอุตุทั้งนั้นอันอันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนิพพานก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากกรรมนิพพานไม่ได้เป็นผลผลิตของเจตนานิพพานตัวนิพพานเองก็ไม่ได้เกิดจากเหตุและปัจจัยนิพพานก็ไม่ได้เกิดจากอุตุหรืออุณภูมิขอถวายพระพร สิ่งที่มิได้เกิดจากกรรมมิได้เกิดจากเหตุมิได้เกิดจากอุตุมีสองอย่างเหล่านี้เลยคืออากาศและพระนิพพานพระคุณเจ้าท่านอย่าลบหลู่คาสอนของพระชินอาเจ้าเลยท่านไม่รู้ก็จงตอบว่าก็จงอยากตอบปัญหาเลยไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เถอะเพราะไม่ว่าเรากางเงินหน่อนะไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้เปล่าทำไมพูดอย่างนี้พระคุณเอ่อ ขอถวายพระพรอาตมาภาพกล่าวอะไรผิดหรือจึงเป็นเหตุให้พระองค์รับสั่งกับอาตมาภาพอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้านัาเกษนขอท่านอย่าลบหลู่คำของพระชินเจ้าอย่าลบหลู่พุทธพจน์เลยท่านไม่รู้ก็จงตอบว่าตอ บ, ตอบอก็จงอย่าได้ตอบปัญหาเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้กันตรงตร ง, ตร ง, ตร ง, ง่ายๆนี่แหละทำไมจะต้องเอายกมาแบบนี้ลบหลู่คำของพระพุทธเจ้านั้นนี่ะนะซึ่งพระนัเกเซนถามว่า ที่พระองค์พูดอย่างนี้หมายถึงอะไรพระเจ้าไม่ลรนก็บอกพระคุณเจ้าก่อนอื่นการที่ท่านกล่าวว่าอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากเหตุมิได้เกิดจากอุตุดังนี้ผู้ถูกต้องแล้วยอมรับฟังขึ้นงนั้นเดีฟังได้พระคุณเจ้าก็แต่ว่าที่ก็แต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส บ, บอกสาวกทั้งหลายถึงเหตุหลายร้อยอย่าง ที่เป็นหนทางทําพระนิพพานให้แจ้งพระพุทธ พ, พระพุทเจ้าสอนเหตุหรือข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยร้อยวิธีแต่ท่านกลับมาพูดเสียอย่างนี้ว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นเอาสรุปว่าคือถ้าไม่รู้ก็อย่าพูดเถอะว่างนันเถอะจะเสียเปล่าๆนะวาน่านกลายเป็นว่าท่านไปลบลูคาสอนของพระพุทธเจ้า ะถ้าเจอไม้นี้เข้าไปเนี่ยนะบางทีมันก็คิดเยอะเงินนะถ้าคนที่เรียนธรรมะมาไม่ดีเนี่ยเออมันก็คิดนะมันก็น่าจะใช่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนวิธีข้อปฏิบัติที่ทําพระนิพพานให้แจ้งเยอะแยะไปหมดแล้วบอกว่านิพพานไม่เคยเกิดจากเหตุเอมันเป็นยังไงกันเนี่ยอ่ยเหตุให้บรรลุพระนิพพานมีอะไรบ้างนะดูในอัตถกถาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเหตุ มีหลายร้อยอย่างที่ปเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานเช่นบารมีสิบประการฌานทั้งห้าเนี่ยนะที่เป็นบาตของการเจริญวิปัสนาปฏิปทาสี่มีทุกขาปฏิปทาเป็นต้นโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นต้นพวกสัเลขธรรมพวกอะไรทั้งหมดพวกนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทั้งนั้นแหลซึ่งแต่ละอย่างก็ยังจําแนกแตกแยกออกเป็นร้อยในพันในตามัธิบดีสี่เนี่ยนะฉันทาธิบดีเป็นต้น ซึ่งล้วนแต่สงเคราะห์ได้ว่าเป็นมรคเป็นมรค ก, ก็คือเป็นเหมือนกับหนทางที่ดําเนินไปสู่พระนิพพานเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานพระพุทธเจ้าสอนเหตุให้บรรลุมรคผลนิพพานย่แยไปหมดเลยแล้วท่านมาบอกว่านิพพานไม่ได้เกิดจากเหตุเพราะมรคเนี่ยมันเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานไม่ใช่หรืออันนี่ก็คือข้อปมขัดแย้งเข้ามา ตนาเกษร์ก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเป็นความจริงถูกต้องนะนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกสาวกทั้งหลายถึงเหตุหลายร้อยอย่างที่เป็นหนทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งหรือข้อปฏิบัติที่ทําให้เข้าถึงพระนิพพานก็แต่ว่าจะเป็นอันตรัสบอกถึงเหตุทําพระนิพพานให้เกิดหามีไหมสรุปว่ามหาบาพิษเคยอ่านเจอไหมเล่า ว, ว่าตัวสร้างสภาวะคือนิพพาน สิ่งที่สร้างนิพพานขึ้นเนี่ยเคยพบไหมพระคุณเจ้าข้อที่ท่านกล่าวว่าเหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทําพระนิพพานให้แจ้งมีอยู่แต่เหตุที่สร้างให้พระนิพพานนั้นเกิดไม่มีก็บอกว่าข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานมีแต่การสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นอ่ะไม่มี ข้อนี้ทําให้ข้าพเจ้าสู่ที่มืดยิ่งกว่ามืดกเข้าป่ายิ่งกว่าป่าที่เข้าสู่ที่รกยิ่งกว่าร ก, กว่างั้นโอ้ยมันมืดหมดไปหมดเอ๊มันยังไงกันแน่เนี่ย น, นะตอนแรกก็ทําถ้ า, าจะเข้าใจดีลึกซึ้งแล้วพอบัตรนี้ชักงงไปหมดแล้วมั้งพระคุณเจ้าถ้าหากว่าเหตุทําพระนิพพานให้แจ้งมีอยู่คือข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุพระนิพพานมีถ้าอย่างนั้นนะแม้เหตุสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นก็ต้องปรารถนาได้ไมันจะต่างกันยังไง ก็แสดงว่าถ้าสร้างเหตุให้บรรลุนิพพานได้นิพพานก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นซิงงไหมไม่เข้าใจว่าไงนะก็ตอนแรกอ่านแล้วก็งงเหมือนท่านักเหมือนพระเจ้ามิรินนะึงกันแหะเออมันเป็นอย่างไงนะตอนตอนแรกนะตอนแรกก็คือเมื่อสิบปีที่แล้วนะอ่านแล้วก็คิดเหมือนพระเจ้ามิรินนี่แหละ อมันก็ต้องสร้างขึ้นละมัง้งเนี่ยนะเพราะโดยสมัยก่อนได้ยินไอ้เมืองแก้วคือพระนิพานขึ้นชื่อว่าเมืองก็ต้องสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละใช่ไหมเออนี่ยเระบอกวันนี้มันได้สร้างเ อ, อ๊ะเป็นยังไงงงไปหมดทหมืนกันอ่าพระเจ้าพระเจ้ามิลินเนี่ยนะเขาก็เป็นบัณฑิตพอสมควรนะนะการที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรกับเขาก็ต้องยกขอ้อข้อเปรียบเทียบได้นะ เขาบอกพระคนเจ้าเปรียบเหมือนว่าสำานะสหรับผู้เป็นบิดาของบุตรขอมีก็จริงอ่ะเคยได้ยินไหมว่าเนี่ยทุกคนที่เป็นลูกต้องมีพ่อแน่นอนเพราะเหตุนั้นผู้เป็นบิดาแม้ของบิดาก็เพิงปรารถนาได้ฉันใดก็คืออะไรพ่อของถ้าคนนี้เป็นเป็นลูกเขาก็ต้องมีพ่อไอคนที่เป็นพ่อก็ต้องเคยเป็นลูกมันต้องมีปู่ อันนั้นมีพ่อของพ่อไอพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อมันต้องมีแน่นอนเหมอนกันเถอะมันจะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่สําหรับผู้เป็นอาจารย์ของสิทธิ์ย่อมมีเพราะเหตุนั้นผู้เป็นอาจารย์แม้ของอาจารย์ก็ปรารถนาได้ถ้าคนนี้เป็นสิทธิ์มีอาจารย์อาจารย์คนนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์เพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้งหลายก็ต้องมีอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ พืชนะหน่อพืชของหน่อไม้เนี่ยเมล็ดพืชเนี่ยเมล็ดพืชที่ทาให้ออกหน่อได้เนี่ยมีอยู่พืชแม้ของพืชนะสมมติว่าเมล็ดนี่มาจากไหนมาจากพืชพืชมาจากไหนก็มาจากเมล็ดเมล็ดมาจากไหนก็มาจากพืชก็สาวสาวสาวสิ่งเหล่านี้ก็ปรารถนาได้ฉันใดพระกุณเจ้าแล้วก็อุปมาเหมือนดีใช่ไหมขนาดเสือยังมีอยู่ช่างทอเสือก็ต้องมีแน่นอนถ้ามีอยู่ช่างทอผ้าก็ต้องมีใช่ไหม คือของทุกอย่างในโลกนี้มันล้วนแต่สร้างกันขึ้นทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ท่านกลับมาบอกว่าว่าไงถ้าหากว่าพระนิพพานเนี่ยนะสําหรับพระนิพพานมีแต่ข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานทําพระนิพพานให้แจ้งก็คือมีแต่ข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานเนี่ยมีอยู่ถ้าหากว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุนิพพานมีนะเหตุสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นก็ต้อง ก็ต้องมีฉันนั้นก็ต้องเพึงปราถนาแปล ว, ว่ามันต้องมีแน่นอนอะ่ะคือเขายืนยันอ่ะนะเขาหาเหตุผลมารับสมองตั้งหลายข้อใช่ไหมพ่อของพ่อของพ่อของพอง่พอเขามีแม่ของแม่ของแม่ของแ ม, งม่เป็นต้นกตยังมีเลี้ยงพระนิพพานอะ่ะมันต้องมีนี่นขนาดข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานยังมีได้แล้วสิ่งที่สร้างนิพพานขึ้นอะ่ะก็ต้องมีอย่างแน่นอนทีนี้ก็บอกแมอ่อุปมามาแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่เป็นที่สะใจเนยนะอุปมาให้ฟังอีกก็ได้ตอกย้ําให้มันชัดเจนอีกว่า เปรียบเหมือนว่าต้นไม้ก็ดีเครือเทาก็ดีเมื่อมียอดได้กระถ้ามียอดมันต้องกลับมาหาตรงกลางมาหาโคนก็หาได้สาวสาวสาวส า, วาวมันสาวหาเหตุได้พระคุณเจ้าถ้าหากว่าเหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทำข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุพระนิพพานมีอยู่จริงไซเพราะเหตุข้อปฏิบัติเหตุที่สรรสร้างตกแต่งพระนิพพานก็ต้องมี ก็ต้องมีฉันนั้นมันจะไปต่างกันยังไงเนี่ยนะถ้าข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมีแสดงว่านิพพานต้องเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นต้องสร้างขึ้นนะนะก็ต้องยืนยันนะว่าต้องมีสิ่งที่สร้างพระนิพพานขึ้นนะี่ยนะไอ้อากาศมันทําใจได้ใช่ไหมว่าอากาศไม่ต้องมีใครสร้างเอ้นิพพานในฟังไม่ขึ้นนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะพระสอนเหตุให้บรรลุนิพพานก็แสดงว่านิพพานเนี่ยตอกต้องมีการสร้างขึ้นอันนี้คิดเองนะ แต่ที่ที่เขบอกว่าเหตุหลายร้อยอย่างที่เป็นข้อปฏิบัติที่ทําพระนิพพานให้แจ้งอเ น, นีจชิงอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่บอกว่าไอการสร้างพระนิพพานขึ้นเนี่ยเป็นทัศนคติของพระเจ้ามิลินเนี่ยนะแต่ว่าท่านอาจจะเห็นอย่างนี้หรือไม่ก็ตามนะแต่ว่าท่านก็อยากจะช่วยชี้แจงนะอะไรที่มันมันควรจะช่วยชําระศ า, า, าสนาได้คนจะได้ไม่เข้าใจผิดก็คือจริงๆแสดงว่าท่านรู้แล้วว่าอนาคตต่อไปคนจะต้องเข้าใจผิด ท่านก็พยายามที่จะมาสอบถามมีการซักมีการโฟกมีการดูแลรักษาแล้วก็มีการป้องกันแต่ว่าคนที่พยายามจะแหกรั้วยังไงมันก็แหกกันเช้าคุณจะต้วางรั้วสิบแปดชั้นนั้นก็จะระเบิดออกไปให้หมดแล้วกันทะลุกำแพงเราจนได้แล้วแหละถ้าคนมันจะแหกกันนะชั้นใดก็ดีคําสอนถึงจะประกาศชัดเจนว่านิพพานเป็นอาสังคตธรรมคนก็ยังพยายามจะบอกว่านิพพานเป็นสังคตธรรมนิพพานมีรูป นิพานมีเสียงคนที่อยู่ในนิพานพูดได้อันนนิพานเป็นสีเป็นเสียงมีกลิ่นด้วยเนีบางคนเนี่ยเลยขนาดนั้นอีกยังไงนะมีสัมผัสสบายเนี่ยนะมีโพธาตด้วยนะสีก็มีเสียงก็มีแสดงว่านิพานก็คือธาตุดินเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเท่ากับจินตนาการธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขึ้นมาในนิพานในความคิดเนี่ยนะอันนี้ก็ สรุปว่าเ อ, อพระเจ้ามีลินพูดมันก็ฟังมีเหตุผล น, นะมันกันนะถ้าไม่ศึกษาให้ละเอียดนะไม่เรียนอริยสัจมาเป็นอย่างดีเนี่ยนิพพานคือนิโรธสัจจะเนี่ยนะถ้าเรียนมาไม่ดีเนี่ยจะต้องมีความเห็นอันเดียวกันกับพระเจ้ามีลินเหมือนั้นพระนาคเสงษ์ก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิษพระนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่อาจสร้างให้เกิดขึ้นไม่อาจก่อสร้างเสกสรรตั้นแต่งให้มีขึ้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พูดถึงเหตุสร้างพระนิพพานขึ้นเอาไว้ท่านิพพานเป็นสิ่งที่สร้างได้พระพุทธเจ้าก็สร้างอะไรสร้างนิพพานแจกทุกคนไปหมดแล้วสมมติว่าถ้าสร้างแจกได้เหมือนพระเครื่องอะนะปั้นแจกกันหมดแล้วหวังนแต่นิพพานมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่เรีย น, นว่าเอาเถอะเอาเถอะพระคุณเจ้าขอท่านจงแสดงให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเหตุผลด้วยเถอะ ข้าพเจ้าจะเพึงรู้ได้โดยประการใดเล่าคือคืออธิบายให้มันรู้เรื่องหน่อยได้ไหมนกันเถอะเหตุที่เหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุพระนิพพานทำพระนิพพานให้แจ้งนนจเนี่ยนะนิพพานสัจฉิกิริยาจะเนี่ยการสร้างการทำนิพพานให้แจ้งคือปัญญาเป็นเหตุทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยไอคสอนแบบนี้มีอยู่แต่เหตุที่สร้างตัวนิพพานขึ้นน่ะ มันไม่มีเหตุมันเป็นยังไงตัวนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นอาเหตุุกะเนี่ยนะนิพพานเป็นอาเหตุุกะก็คือไม่ได้มีเหตุสร้างขึ้นนิพพานเป็นอปัจจยะไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นธนาเกษตก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิธถ้าอย่างนั้นก็ขอพระองค์จงเงีย่ยโสดสดับตรับฟังอย่างเคารพเถิดฟังให้ดีนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องสําคัญมากนะ ต, ตั้งใจฟังหน่อยนะ ขอจงสดับด้วยดีเถิดเนี่ยโสดให้ฟังให้ดีอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะอาตมาภาพจากขอกล่าวถึงเหตุผลในความข้อนั้นขอถวายพระพรบุรุษอาจใช้กำลังตามปกติละจากที่นี้เข้าไปสู่หิ ม, มะพานเนี่ยนะได้หรือไม่สมมติถ้าจากที่นี่ไปป่าหิมาพานหรือไปที่แดนหิมะพานเนี่ยนะภูเขาหิมาลัยเนี่ยไปได้ไหมจากบ้านไปสู่ภูเขาหิมาลัยเนี่ยไปได้ไหม แสดงว่าไปได้เขามีพระชวนว่าพฤษภาท่านจะไปเขาหิมาลัยไหมอย่างเง้ยนะแสดงว่ามันไปถึงกันได้ใช่ไหมสรุปพระเจ้ามิเรืก็ยอมรับว่าได้พระคุณเจ้าพระนาคเษนก็ถามต่อไปอีกว่าบุรุษนั้นอาจใช้กําลังที่มีอยู่ตามปกติลากภูเขาหิมาพานเนี่ยมาวางที่นี้ได้ไหม เ, ออเราอยู่นี่นะเราไปหิมาพานได้ใช่ไหมแต่ลากภูเขาหิมาพานอยู่บ้านเราได้ไหม ลากตัวภูเขาหิมพรานมาไม่ได้แนะ่แต่ถ้าปลูกป่ามะม่วงหิมพรานอาจจะได้ในชะ่ไหมแต่ว่าคนละประเด็นกันนะนะไม่ใช่ปลูกป่ามะม่วงหิมพรานนะนะพี่นะก็สรุปว่าใครจะไปลากป่าภูเขาหิมพรานนะนะลากภูเขาหิมพรานมาไว้นี่ได้อะนะ พระนาเกษร์ก็ถามต่อไปว่าก็เล่าให้ฟังว่าขอถวายพระพรมหาปีติอุปมาฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นเหมือนเหมือนการบุคคลอาจกล่าวถึงมรรคหรือข้อปฏิบัติเพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้งมีอยู่ข้อปฏิบัติเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งอันนี้มีอยู่แต่ไม่อาจแสดงเหตุสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นได้เลย อัน้ว่าตัวตัวไหนเป็นตัวสร้างพระนิพพานขึ้นเนี่ยนะไม่เหมือนกับสิ่งในโลกเช่นพวกเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกอย่างต้องต้องถูกปัจจัยเนี่ยตกแต่งสร้างขึ้นมาแต่พระนิพพานไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นขอถวายพระพรอุปมาอีกอย่างหนึ่ง มหาบาพิษบุรษุษอาจใช้กําลังตามที่มีอยู่โดยปกติเนี่ยขึ้นเรือไปสู่มหาสมุทรได้ไม่ใช่หรือลงแม่น้ําคงคาล่องไปเรื่อยถึงทะเลได้ไหมบอกได้พระกุญเจ้าขอถวายพระพรมหาบาพิษแต่ว่าบุรษุษนั้นอาจใช้กําลังที่มีอยู่ตามปกติดึงเอาฝั่งที่ไกลของมหาสมุทรมายังฝั่งนี้ได้หรือไม่เราสมมุติถ้าเราขึ้นเรือเนี่ยนะขึ้นเรืออะไรเรือท่องเที่ยวเรืออันเนี้ไปอเมริกาได้ไหม ไปขึ้นฝั่งที่เมกาได้ไหมบอกได้แต่ดึงเอาฝั่งชายทะเลอเมริกามาไว้ใกล้ๆแถวนี้ได้ไหมโดยกำลังปกตินะด้วยเหตุผลปกติธรรมดาบอกทำไม่ได้ขอถวายพระพรมหาบาพิตรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นบุคคลกล่าวถึงมักคือข้อปฏิบัติเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอะ่ะทำได้พูดได้ ว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8หรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นแหละที่เป็นข้อปฏิบัติธรรมพระนิพพานให้แจ้งแต่ไม่สามารถแสดงเหตุสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นได้เลยถามว่าเพราะเหตุไรเพราะนิพพานเป็นอสังขตธรรมนิพพานนี่เป็นอสังขตธรรมโดยสภาวะตัวนิพพานไม่ได้ถูกปัจจัยปรงแต่งขึ้น ขณะเดียวกันนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังคตะธรรมเป็นดับที่ดับสังเป็นธรรมที่ดับสังคตธรรมคือชรามรณะถ้าตรัสรู้พระนิพพานก็พ้นจากชรามรณะชาติเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นธรรมที่ดับชาตินิพพานเป็นธรรมที่ดับภพดับอุปาทานดับภาษาดับเวทนาดับตัณหาดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังคตธรรม ซึ่งพระเจ้ามีลินก็สงสัยพระคุณเจ้าพระนิพพานเป็นอสังขตะธรรมหรือนะพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสังขตธรรมหรือขอถวายพระพรถูกต้องพระนิพพานนั้นเป็นอสังขตธรรมเป็นธรรมที่ปัจจยัยอะไรอะไรไม่ได้สร้างขึ้นขณะเดียวกันนิพพานก็เป็นธรรมที่ดับสังขตะธรรมเป็นธรรมที่ดับธรรมที่ถูกปัจจยัยปรุงแต่งขอถวายพระพร ใครๆไม่ควรกล่าวถึงท่านิพานนี้เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจทําให้เกิดขึ้นก็คือสรุปว่านิพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นสิ่งที่ยังเกือบจะเกิดแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดหรืออาจสร้างขึ้นได้เอาเดี๋ยวเรามาช่วยกันสร้างนิพานขึ้นมาก็แล้วกันก็นไม่ได้พราะไม่มีใครพูดได้ว่านิพานเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเพราะนิพานเป็น กาลวิมุตต์พ้นจากอดีตอนาคตและปัจจุบันนิพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทวิปัญจารู้ได้เช่นใช้จกักขวิญญาณเห็นนิพานใช้โสตวิญญาณฟังนิพานใช้ขานะวิญญาณอ น, นดมนิพานหรือชิวหาวิญญาณชิวชิมนิพานกายวิญญาณสัมผัสกับ นิพานเนี่ยนะแปลว่าไม่ได้ลืมตามองเห็นไม่ใช่ใช้หูฟังไม่ใช่ใช้จมูกดมไม่ใช่ใช้ลิ้นชิมหรือไม่ใช่ใช้มือไปสัมผัสรูปคลำเป็นต้นไม่ใช่เห็นไหมอธิบายเพิ่มเติมในอัตฉริยว่าในหน้า98้าบอกว่าเพราะพระนิพานเป็นอสังขตะธรรมเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมเพียงด้วยปัจจัย หม mm. ายความว่า ส, สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปัจจัยเนี่ยปรุงแต่งสร้างขึ้นเนี่ยนะเช่นนามรูปตั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดชื่อว่าสังคตะธรรมคือขันห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพพานไม่ใช่สังคตะธรรมนิพพานไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขณะเดียวกันนิพพานเป็นธรรมที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพพานจึงชื่อว่าอสังคตธรรม พระนิพพานานั้นมีสภาวะโดยที่ไม่ได้ถูกรูปสร้างขึ้นรูปไม่ใช่เป็นตัวสร้าง น, านิพพานเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่เป็นตัวสร้างพระนิพพานแต่พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับรูปรูปนิโรธเวทานานิโรธสัญญานิโรธสังขานิโรธและวิญญาณนิโรธแปลว่าธรรมที่ดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารและก็ดับวิญญาณ